ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นสัตตะตัพพระปุพธสิกขาและปุพธสิกขาวันนาพระอมาราพิรคิตะอมโรเกิดวัดบรมนิวาโรจนาต่อไปจะเป็นวินยกาาักถาอิโตปรังดุติยาดิปัป บ, บานางวันนาคตา วินโยยักะนานโยสิกิตบังวะสาธุกังลำดับนี้ความพันานาปัฏภะที่สองเป็นต้นมาถึงเข้าในวันน า, นาไรเล่าเป็นแต่วินัยอย่างเดียวใช่ทำเอื่นกุลบุผู้หวังความศึกษาพึงศึกษาให้ดีเถิดต่อไปนี้ก็เป็นเรื่องของเพราะวินัยล้วนๆจะ ก, กล่าวในอาปตินามาดิปัฏภะ ข้อว่าด้วยชื่อแห่งอาบัตเป็นต้นอาบัตทั้งปวงที่พิสูุต้องแล้วจะยกขึ้นซึ่งชื่อปติญญาว่าโดยหมวดมีอยู่เจ็ดคือปาราชิกหนึ่งสังคารธิเศษหนึ่งถุลจใจหนึ่งปาจิตตีหนึ่งป า, ต, งปาติเดสนิยะหนึ่งทุกกฏหนึ่งทุกภาสิหนึ่งโดยลำดับแห่งโทษหนักเบาดังนี้อาบัตอาบัตนั้นแปลว่าความต้อง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 ด้วยว่าอาบัตินี้อันที่ตุใดต้องแล้วทีกตุนั้นชื่อว่าเป็นคนแพ้เป็นคนจุติเคลื่อนพลาดพลาดจากพระสัตยธรรมเพราะฉะนั้นป ร, ราชิญนี่หมายถึงบุคคลก็ได้นะบุคคลที่ต้องอาบัตสี่ข้อเป็นปราชิญหรือว่าหมายถึงกองอาบัตก็ได้กองอาบัตที่เข้าไปต้องแล้วก็ทําทให้เป็นผู้พ่ายแพ้หมายถึงการต้องอาบัตก็ได้ต้องป ร, ราชิกหมายถึงตัวอาบัตหมายถึงบุคคล สังคาทิเศษแปลว่ากองอาบัตมีสงอันพิจุพึงปรารถนาในการเป็นเบื้องต้นและการอันเศษว่าด้วยอาบัตกองนี้อันภิจุใดต้องเขาแล้วภิจตุนั้นต้องอาศัยสงในการเบื้องต้นคือให้ปริวาสและการอันเศษคือมูลายะปฏิกสนะและให้มานัดเป็นท่ามกลางและอาภานกรรมเป็นการเศษสุดจึงออกจากอาบัตนั้นได้ สำหรับปริวาสก็คือเมื่อพิกษจน์ตัง้งปฏสังกัดิเศษนี้แล้วก็ปกปิดเอาไว้เป็นการอยู่ประพฤติวัดเป็นการอยู่ประพฤติวัดซึ่งจะต้องมีข้อวัดปฏิบัติต่างหากจากพระวินัยอีกตั้งหลายข้อสําหรับพิสูจนที่ต้องอาบัติสังกาดพิเศษแล้วก็ปกปิดไว้ต้องอยู่ปริวาสชดใช้ตามจํานวนวันที่ปิดเอาไว้ส่วนมูลายะปฏิการชนะก็หมายถึงการชักเข้าหาอาบัติเดิม คือเมื่อต <museum> ้องอบัตแล้วอยู่ปริวาสมานัตอะไรก็ตามแต่ว่าไปต้องอบัตสังการที่เศษใหม่เมื่อต้องอบัตสังการที่เศษใหม่ก็จะต้องรื้อก็คือที่อยู่ปริวาสไปแล้วก็ต้องล้มอยู่มานัตไปแล้วก็ต้องล้มชักก็หาอบัตเดิมแล้วก็อยู่ปริวาสใหม่หรือว่าอยู่มานัตใหม่อันนี้ก็เรียกว่ามูดายาปฏิกัารณส่วนการให้มานัตหมายถึงว่าเมื่อต้องอบัตสังไหเสร็จแล้วไม่ได้ปกปิดไว้หรือว่าปกปิดไว้แล้วอยู่ปริวาสเรียบร้อยแล้ว ก็มาอยู่มานัทอีกหกราตรีเป็นการประพฤติวัดให้เคร่งครัดมากขึ้นต้องอยู่กับพระวิจุสี่รูปขึ้นไปถ้าปริวามสอยู่กับพระิจุรูปเดียวก็ได้ในาวาด น, นั้นแต่ถ้ามานัทต้องเคร่งครัดปฏิบัติมากขึ้นแล้วก็ต้องบอกวัดทุกวันเลยส่วนอับพารก็หมายถึงเมื่ออยู่มานัทเรียกร้อยแล้วก็เรียกข้ามืออับพารก็คือเรียกข้ามู่อาศัยพระวิจุยี่สิตรูปขึ้นไปมาทําสังฆกรรมให้จะ ก, กลายเป็นพระวิบริสุทธิ์ในที่สุด มันก็เป็นเรื่องของสังกาธิเศต์ต้องอาศัยสงทั้งนั้นเลยก็เได้รียกว่าสังการิเศต์กรรมในเบื้องต้นและกรรมอันเศษก็ต้องอาศัยสงทั้งหมดเป็นอบัตหนักรองจากปราชิตแต่เดียวยากแก้ไขได้ทุนละใจแปลว่าโทษอ้วนโทษย า, ษยาด้วยว่าปัรณานอาบัตที่ทิกย์ถูกต้องแล้วและแสดงในสำนักแห่งทิพยุตอื่นแม้องค์เดียวก็หลุดพ้นได้อบัตนี้แหละอ้วนยา ก, กว่าอาบัตที่เป็นเทศนาคามิหนีนอกนั้น อาบัตที่แสดงคืนได้คือเป็นอาบัตเบาเนี่ยนะก็ทุลใจนี่แหละมีโทษมาที่สุดก็เลยเรียกว่าทุลใจแต่ว่าโทษอ้วนปาจิตตีแปลว่าอาบัตที่ยังกูสอธรรมให้ตกไปด้วยว่าเพล็กตูไดแกล้งต้องอาบัตกองนี้แล้วเพล็กสุนันชื่อว่าตกจากกูสอธรรมผิดต่ออริยมรตถึงซึ่งโมหะฐานที่เคลอบเคลิ้มหลงแห่งจิตนี่ก็ทําให้กุสอนตกไปชื่อว่าปาจิตตีมีทั้งหมด เป็นนิสกิยปฏิเตี๋ยสามสิบสุธิกาปฏิเตี๋้าสิบสองก็แบ่งเป็นสองอย่างปาติเดสัญญะแปลว่าอาบัติอันทิกตุพึงกลับแสดงอย่างอื่นด้วยว่าอาบัตินี้ที่ตุต้องแล้วไม่แสดงอย่างอาบัติอื่นต้องกลับใช้บาลีแสดงดังนี้ว่าคารัยหั่งอาวุโสทำ ม, มังอาปาชิงอสัพปยังปาติเดสัญญาต่างปาติเดเซมีติดังนี้ก็คือแสดงคืนต่างหากไม่เหมือนกับอาบัติอื่น ต้องแสดงคืนว่าข้าพเจ้าต้องทําที่น่าเกลียดน่ารายไม่เป็นที่สบายพระเจ้าขอแสดงคืนทำนั้นมีการแสดงตังหะทุกกฎก็แปลว่าทําชั่วด้วยว่าพิษตูดใดต้องอบัตินี้พิษตูนั้นชื่อว่าทําชั่วทําไม่ดีทําผิดต่ออริยมรดังบุคคลทํำบาปในที่แจ้งหรือที่รับโลกย่อมติเดเตียนว่าเป็นคนทําชั่วทําไม่ดีทําผิดทุปาศิตแปลว่ากล่าวชั่ว ด้วยว่าคําอันใดเป็นคําชั่วคำพลาดคำหมุนหมองคําอันนักปราติเตียนพิจุกล่าวคํานั้นจึงต้องอาบัตินี้ทุพสิทธินี้มีแค่ข้อเดียวนะเป็นส่วนที่อยู่ในโอมัสวาด่าพิกจุแต่ว่าด่าด้วยจะเล่นนะนะล้อเรียนเนะ่ะองอบัตทุพสิทธิมีข้อเดียวเท่านั้นอันหนึ่งปาราชิกาบัตเป็นอะเตกิจฉาเยียวยาไม่ได้ด้วยอุบายอันใดอันนึง แม้จะถือเพศคารวาสแล้วกลับมาขออุปสมบทอีกก็ไม่ได้อาบัตนอกนั้นหกกองเป็นสเตกิจฉาพอเยียวยาได้คือว่าต้องแล้วทำตนให้บริสุทธิ์ด้วยวุฒานวิธีและเทศนาวิธีได้อันหนึ่งปาราชิกสังฆานิเศสสองนี้ชื่อว่าครุกาบัตเป็นอาบัตหนักปาราชิกเป็นอาบัตหนักโดยโทษเป็นมู ล, ลเฉดหมายถึงว่าตัดมูลรากเลยแก้ไขเยียวยาอะไรไม่ได้ สังคารทีเศษเป็นอาบัตหนักโดยโทษด้วยโดยวิธีที่จะออกจากอาบัตนั้นด้วยอาบัตนอกนั้นห้ากองชื่อว่าลหูกาบัตเป็นอาบัตเบาโดยวิธีที่จะออกอันหนึ่งสังคาริเศสาบัติชื่อว่าเป็นวุฒานคาัยมินีถึงวุฒานะวิธีคืออาศัยสงรับปริวาสและมานัตประพฤติกิจจึงออกพ้นเป็นคนบริสุทธิ์ได้สังคารทีเศสาบัตินี่นะ เป็นวุฒานาคามินีต้องอาศัยการออกโดยอาศัยสงอยู่ปริวัติอมานัดอับัตนอกนั้นห้ากองชื่อว่าเทศนาคามินีถึงเทศนาวิธีคือแสดงเสียในสำนักแห่งทิสุแม้องค์เดียวก็บริสุทธิ์ได้อันหนึ่งแม้ปา ร, ราชิกาบัตก็ชื่อว่าเทศนาคามินีด้วยสองเคราะห์ด้วยว่าผู้ใดต้องแล้วผู้นั้นปฏิญญาตนตามจริงต่อนหน้าแห่งทิสุอื่นแล้วมาละเพศแห่งทิสุเสีย ถึงเพศคารวาสก็พ้นโทษ น, นั้นได้อาบัตินั้นไม่เป็นสักขาวรห้ามสวรรค์แล้วก็ไม่เป็นมักคาวรด้วยไม่ห้ามมักด้วยถ้าถึกไปเป็นข้อหัตแล้วปฏิบัติธรรมะก็สามารถที่จะบรรลุมักผลได้เหมือนกันในอัตกถาในอัคคิขันฑูปมัสสูตรแสดงไว้ในอีกที่หนึ่งก็คือในอังคุตตระนิกายึรจะเป็นเอกานิบาต ท, ทุกานิบาตเนี่ยนะ อัชาสังฆะตะวะัตอธิปทาตรงนั้นก็แสดงว่าพระวิสูที่เป็นปราชิกเนี่ยเมื่อศึกไปแล้วก็ปฏิบัติธรรมก็ได้บรรลุเป็นมุสวดบัลพัสกาธากามีได้เมื่อศึกไปแล้วก็จะไม่เป็นเครื่องกั้นสวรรค์มรกคผลแก่ผู้นั้นอันหนึ่งปราชิกสังฆาริเศสนี้ชื่อทุตถุลลาบัตเป็นอาบัตชั่วยาไปโทษอาบัตห้ากองนอกนั้นชื่อว่าอทัทุตถุลลาบัตไม่ชั่วยานักโดยโทษ อันหนึ่งปราชิบชื่อว่าอนนวเสสาบัติเป็นอบัติไม่มีเศษที่สุดต้องแล้วขอเคลื่อนจากประมาจันไปฝ่ายเดียวอบัตหกกองนอกนั้นชื่อว่าสาวเสสาบัติเป็นอบัต ย, ยังมีเศษอยู่คือวุฒนาวิธีและเทศนาวิธีเป็นส่วนเศษซึ่งจะให้บริจุท์ยังมีอยู่อันหนึ่งอบัตปราชิบสังขารที่เศษสองนี้เป็นศีลวิบัติเป็นโทษใหญ่ที่สุดต้องแล้วชื่อว่าถึงความวิบัติแห่งศีล ในอบัตห้ากองนั้นอบัตใดที่พิจุ ต, ต้องเขาแล้วทั้งเป็นโทษด้วยทั้งอาจาระม ร, รยาตสมณะเขี่ยไปด้วยดังนี้ชื่อว่าอาจาระวิบัติในอบัตห้ากองนั้นแหละอบัตใดที่พิจุ ต, ต้องด้วยทิฏฐิความเห็นวิปริตเป็นอันตะคายกะทิฏฐิคือทิฏฐิความเห็นเป็นที่สุดส่วนสุดโลกมีที่สุดโลกไ ม, ม่มีที่สุดโลกมีที่สุดบางส่วนไม่มีที่สุดบางส่วนเหล่านี้เรียกว่าอันตะคายกะทิฏฐิดังนี้ เชื่อว่าทิฏฐิวิบัติดังปาจิตติยาบัติแห่งพิสุภูกเราวตูพระผู้มีพระภาคเจ้าในอริฏฐติขาบทเป็นตัวอย่างก็คือเข้าใจว่าพรายอริฏฐานี่เข้าใจว่าการมาคุณเนี่ยไม่มีโทษสตรีเนี่ยผู้หญิงเนี่ยไปจับต้องได้การเสพกามเนี่ยไม่มีโทษอะไรเพราะว่าพวกกระหัตเขานอนกับบุตรภรรยากันเขาก็เป็นระโสนดาบันพระสกัาคามีได้เพราะฉะนั้นทําไมพระพุทธเจ้าจึงมาบัญญัติข้อห้ามไม่ให้เสพเมทุนเพราะอะไรห้ามจับต้องกายหญิงเพราะอะไร ก็เข้าใจว่าไม่มีโทษเก่งในพิธธรรมแต่ว่าไม่เก่งเทวินยัยก็เลยทําให้เป็นคิดถิวิบัติไปก็เป็นเครื่องกั้นมรรคผลของตัวเองไปเลยทําลายเินจักรในด้วยในอบัตห้ากองนั้นแหละอบัตกองใดที่สูต้องเข้าแล้วอาชีวะความเลี้ยงชีพเสียไปดังอบัตเพราะกูรดูสกตะตามอบัตนั้นชื่อว่าอาชีวะวิบัติอันหนึ่งอบัตประราชิกสังฆนิเศษที่พิกสูต้องเพราะอาศัยอาชีวะ ก็ชื่อว่าอาชีววิบัติด้วยเพราะเหตุนั้นในคำพีปริวาระท่านย ก, กสิกขาบทหกขึ้นตั้งไว้เพื่อจะให้เห็นอาชีววิบัติดังนี้ว่าเพีกตุอวดอุตริมนุสธรรมซึ่งไม่มีในตนพระเหตุแห่งอาชีวต้องปาราชิกเพีกตุถึงสังเจริตะชักสื่อให้เป็นผัวเมียการพระเหตุแห่งอาชีวต้องสังขาริเศษพียกตุอวดอุตริมนุสธรรมโดยปริยายเป็นต้นว่า ใครอยู่ในวิหารท่านผู้นั้นเป็นพระอรหันต์ดังนี้เพราะเหตุแห่งอาชีวะผู้ฟังรู้ความในขณะนั้นพิกตุนั้นต้องทุนลใจพิกตูไม่เป็นไข่ขอปณีตะโพชนะคือโภชนะอันประนีตกับคนใช่ญาติฉันก็คือคนที่ไม่ใช่ญาติเพราะเหตุแห่งอาชีวะต้องปาจิตตีนางพิกษุนีไม่เป็นไข่ขอของแปดอย่างก็คือโภชนะนประนีตนั่นแหละ เป็นต้นว่าเนยใสยกับคนใช่ญาติฉันเพราะเหตุแห่งอาชีวะต้องปาติเดสมิยะพิกตุไม่เป็นไข่ขอแกงและข้าวสุ ก, กับคนใช่ญาติฉันก็คือคนที่ไม่ใช่ญาติเพราะเหตุแห่งอาชีวะต้องทุกข์กดดังนี้ด้วยท่านยกสิกขาบทหกขึ้นกล่าวไว้นี้แลพึงรู้เถิดว่าในติขาบทซึ่งเป็นสีลวิบัต อาจจะรัวิบัติทิฏฐิวิบัตินั้นข้อใดที่พิสูจน์ต้องด้วยอาศัยอาชีวะคือการเลี้ยงชีพเป็นเหตุข้อนั้นก็เป็นอาชีวะวิบัติด้วยอันหนึ่งตาจิตตินั้นมีสองก็คือนิสัคคยปตาจิตติกับสุทธิกปตาจิตตินิสัคคยปตาจิตตินั้นมีสาสิาบทิศบทแปลว่าตาจิตติมีการสละเป็นวินัยกรรมได้แก่ตาจิติยาบัตในนิสักคียุทธเทศแห่งที่ถุกปาฏิโมกษสามสิบ แห่งพิษตนีปาฏิโมกข์ที่เป็นอาสาธารณะสิบสองสิขาบทแต่ว่าของพิกษตนีก็มีสาสิบเหมือนกันนะเพราะว่าที่เป็นสาธารณะนั้นมีร่วมกันถึงสิบปข้อก็เลยเป็นสามสิบเท่ากันแต่ว่าไม่เหมือนกันทุกข้อด้วยว่าปาจิติยาบัตเหล่านี้พิษตูต้องเพราะอาศัยพันดะข้าวของที่เสียไปโดยพุทธบัญญัติพิษตูน้นต้องเอาพันดะนั้นมาเสียสละในท่ามกลางสงฆ์หรือคณะ หรือในสํานักแห่งที่สุรูปเดียวเป็นวิเนกรรมเสียก่อนจึงแสดงอาบัตนั้นตกเพราะเหตุนั้นปาจิตติยาบัตเหล่านี้จึงชื่อว่านิสกิยะปาจิตตีเช่นเงินทองนะถ้าไปรับเงินทองมาแล้วเงินทองนั่นเป็นนิสกิยะต้องเอาไปสระละท่ามกลางสองทุงกรอนถึงแสดงอาบัตตกไม่อย่างนั้นก็แสดงอาบัติไม่ตกสูตรที่เกิดปาจิตตีนั้ น, นแปลว่าปาจิตตีล้วนไม่มีวิเนกรรมอันใดอันหนึง่งเป็นบุ ป, ปกิจแห่งเทศนาวิธี ได้แก่ปาจิติยาบัตในปาจิติยุทธเทศในพิกุปาติโมก92สิกขาบทในพิกุณีปาติโมกที่เป็นอสสาธรรณะอีก96สิกขาบทเหล่านี้แหลชื่อว่าสุทธิกะปาจิตตีอันหนึ่งสุทธิกะปาจิตตีมีอีกเป็นสองก็คือปกติปาจิตตีก็คืออัตปปะจิตตีโดยปกตินั่นเองอย่างหนึ่งกับเพดาการิปาจิตตี ปัจจิตีที่มีอันต่อยพันทะเสก่อนเป็นต้นแล้วจึงแสดงอาบาตกก็คือปัจจิตีพิเศษนั่นเองประเภทเทฎกะปัจจิตีก็จะต้องต่อยถึงที่ทําด้วยเขาด้วยสังอะไรพวกนี้นะแล้วก็เฉดฎกะปัจจิตีกับปัจจิตีที่จะต้องตัดเสก่อนเท้าเตียงตั่งที่สูงเกินประมาณอุดารณะปัจจิตีก็ปัจจิตีที่จะต้องลื้เสก่อนจะทํำด้วยของยัดนุ่นอะไรต่างๆเหล่านี้นี่ก็เป็นปัจจิตีพิเศษออกไป อาปตินามกถาจบอันนี้ก็เป็นเรื่องของชื่อของอาบัตต่อไปก็จะเป็นการกําหนดสิกขาบทแห่งอาบัต้นั้นๆจะกล่าวด้วยกําหนดสิกขาบทแห่งอาบัต้นั้นๆสิขาบทแห่งปาราชิกาบัตส่วนพิจุสี่สิขาบทส่วนของนามพิจุนีที่เป็นอาสาธรรมะไม่ทั่วมาแก่พิจุอีกสี่ก็รวมเป็นแป ส่วนสารณะทั่วมาของพิกษุด้วยอีกสี่ะสมหมดด้วยกันเป็นสิบสองทิศขาบทกนจริงๆแล้วของพิกจุมีสี่ทิศขาบทของพิกจุณีมีแปดทิศขาบทแต่ว่าเหมือนกันสี่เหมือนกันสีเพะนั้นถ้านับแล้วไม่นับอีกก็มีแปข้อเท่านั้นแต่ถ้านับรวมเลยของพิกจุสี่ข้อของพิจุณีแปดข้อก็รวมเป็นปาราชิกสิบสองข้อเหล่านี้ขึ้นสู่ปาปิโมกขุเทศ สิขาบทแห่งสังฆาพิเศษส่วนพิกจุมีสิบสามส่วนแห่งนางพิกษุณีที่เป็นอาสาธารณะสิบรวมกันเป็นยี่สิบสามส่วนที่เป็นสาธารณะอีกเจ็ดหมดร่วมกันก็เลยเป็นสามสิบสิขาบทความจริงแนละ้วของพิกจุมีสิบสามข้อของพิกษุณีนี้จะมีสิบเจ็ดข้อมากกว่าสี่ข้อแต่ว่ามันเหมือนกันเหมือนกันหกข้อนั่นก็ที่เป็นอาสาธารณะสิบนั้นที่เหมือนกันนีเท่าไหร่เหมือนกันเจ็ดข้อ ดังนั้นทีเสรจเนเหมือนกันเจ็ดข้อแต่ว่าถ้าเกิดนับแล้วนับอีกก็ของพิกตุสิบสามพิกตุณีสิบเจดก็เลยรวมเป็นสามสิบเป็นสามสิบสิกขาบทเหล่านี้ก็ขึ้นสู่ปาติโมกุเทศที่บัญญัติแห่งทุรักจยาบัตเกิด อ, อัตถุใจมีมากไม่มีกำหนดแล้วก็ไม่ขึ้นสู่ปาติโมกุเทศด้วยเหตุซึ่งไม่มีกำหนดนั้นจะมีแจ้งข้างหน้าสิกขาบทแห่งนี้สักยปาตาจิตยาบัตส่วนที่สุสามสิบ ส่วนนามภิกษุณีที่เป็นอาสาธารณะสิบสองก็รวมกันเป็นสี่สิบสองถ้าประสมกับสาธารณะอีกสิบแปดสิกขาบทเข้าด้วยกันรวมกันเป็นหกสิบสิกขาบทแสดงว่าของภิกษุณีสามสิบภิกตุก็สามสิบแต่ว่ามีที่เป็นสาธารณะถ้านับแล้วไม่นับอีกก็เหลือสี่สิบสองแต่ถ้านับแล้วนับอีกก็กลายเป็นหกสิบเหล่านี้ก็ขึ้นสู่ปาติโมกุเทศสิกขาบทแห่งสุธิกะปาจิตติยาบัตร ส่วนภิกตุมีเก้าสิบสองส่วนนางภิกษณีที่เป็นอสาธารณะคือไม่ทั่วไปแต่ภิกตูเนี่ยอีกเก้าสิบหกรวมกันก็เป็นร้อยแปดสิบแปดแต่ถ้าประสมสาธารณะอีกเจ็ดสิบเหมือนกันเนี่ยเจ็สิบข้อต้องอ่ัดเหมือนกันเจ็สบข้อก็เลยรวมเป็นสองร้อยห้าสิบแปดสิกขาบทหลังนี้ก็คข่อนสู่ปาติโมกุเทศสิกขาบทแห่งปาติเดชัญญาส่วนภิกตูมีสี่ข้อส่วนนางภิกษณีมีแปดข้อไม่เหมือนกันเลย เป็นอาสาธรรมะต่อกันในเหมือนกันดันั้นก็รวมเป็นสิบสองข้อเคลื่อสู่ปาฏิโมขุเทศที่บัญญัติแห่งทุกตาบัตรมีมากไม่มีกําหนดด้วยว่าทุกตาบัตรว่าโดยอาคตะสถานที่มาโดยย่อมีสองสถานมาในบาลีพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติอย่างหนึ่งได้ชื่อว่าบาลีทุกกฏมาในอัตถกถาผลจับบาลีพระสังคีติกาจาร์ผู้รู้พุทธทธิบายตั้งไว้อย่างหนึ่ง เรียกชื่อว่าบาลีมุตตะทุกฏเนื้อความพิาจาราจะมีแจ้งข้างหน้าเพราะเหตุนั้นสิกขาบทแห่งทุกกตาบัตจึงขึ้นสู่ปาติโมกขุเทศแต่เถขิยักษ์สิกขาบทอย่างเดียวนอกนั้นไม่ขึ้นสู่เทศการขึ้นสู่เทศนี้ก็เป็นหลังพุทธกาลหลังจากที่พุทธเจ้าปริพาแล้วตอนทำสังฆานเพราะว่าตอนที่พุทธเจ้าส่งบัญญัตินั้นสิกขาบทมีร้อยหสิบเท่านั้น ส่วนเสกียะกับอนิยตานี้ยังไม่มีมีรหัสสิทธทานั้นแสดงไว้ในอังคตระนิการติกานิบาศหลายสูตรเลยปฐมเสกขาสูตรทุริยะเสกขาสูตรมีมากมายสิกขาบทแห่งทุภาสิตาบัตที่มีนิทาเบื้องต้นให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัตินั้นไม่มีด้วยว่าทุภาสิตาบัตนี้มาในวิพังค์แห่งโอมาสว่าสิกขาบทแห่งเดียวเพราะเหตุนั้นในเบื้องหน้าเมื่อวินิจฉัยโอมาสวาสิกขาบทแล้ว ทุพาสิตาบัตก็จักรู้ด้วยจะเป็นอันวินิจฉัยด้วยก็คือมีข้อเดียวเท่านั้นเองแล้วก็ไม่ได้เป็นมีต้นบัญญัติอะไรถึงแต่ว่าถ้าพูดพด่าภิจตุได้จิตโกรธก็ต้องอบัตปาจิตตีอมัสวาสเนี่ยด่าภิจตุด้วยจิตโกรธเป็นตาจิตตีแต่ถ้าเกิดด่าภิกษุก็ตามหรือว่านุสสมบัตก็ตามก็จะเล่นด้วยจิตโลภะล้อเรียนนั่นเองก็ อ, อบัตทุภาสิกถ้าด่าด้วยจิตโกรธด่าอนุสสมบัติด้วยจิตโกรตก็อบัติทุกฏ ทิกษุก็อบัตปาจิตตีขาดาเพื่อเล่นล้อเรียนก็อบัตทุภิกิิไม่ว่าจะเป็นที่ษุหรือว่านตสมบัติอันหนึ่งอุทเทศสำหรับที่จะยกสิกขาบทขึ้นสวดทุกๆกึ่งเดือนในวันอุโบสถที่ชื่อว่าปาติโมกุทเทศนั้นโดยชื่อที่มีอยู่ในพระคำพีปาติโมกมีอยู่เก้าอุทเทศก็คือนิทานุเทศหนึ่งปาราชิกุทเทศหนึ่งสังฆาริเสสุเทศหนึ่ง อดิยะตุเทศหนึ่งนิสักขิยุตเทศหนึ่งตาจิติยุตเทศหนึ่งปาติเดเสนียุทตเทศหนึ่งเสสขียุตเทศหนึ่งแล้วก็สมถุตเทศหนึ่งในนิทานอุเทศเป็นเบื้องต้นนี้ไม่เป็นอุเทศสําหรับชื่อติกขาบทเป็นแต่คําประกาศยัติแห่งอุโบสถกรรมและประกาศคำที่เป็นนิทานเบื้องต้นแห่งอุเทศอื่นเท่านั้นก็คือ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 ถ้าหากว่าอุโบสถิกรรมมีการอันถึงที่ก็คือเป็นปะตากันละมีการอันควรคือว่าพร้อมด้วยองคศีแล้วไซพระสงค์พึงทำซึ่งอุโบสถพึงสวดขึ้นซึ่งปาธิโมกองคศีนั้นคือวันที่สิบสี่ที่สิบห้าหรือว่าวันสามวันขีสามวันนี้วันในวันหนึ่งเป็นองค์อันหนึ่งเทก่ยสู่ตั้งแต่สี่รูปขึ้นไปไม่ต้องอุเคปนิยกรรมเป็นประกาศตั้งอยู่ในสีมาอันเดียวกันไม่มาละหัตถบาทกัน เป็นองค์อันหนึง่งเท็กตัวเดล่านั้นไม่ต้องสภาคาบาดมีวัตถุเสมอกันมีฉันโภชนะเวลาบ่ายก็คือวิการนโภชนะด้วยกันเป็นต้นเป็นองค์อันหนึง่งวัชนิยบุคคลยี่สิบเอ็ดมีเคราะและบรนดาลเป็นต้นไม่มีในภายในหัตถบาดสงเป็นองค์อันหนึง่งวัชนิยบุคคลหมายถึงบุคคลที่จะต้องเว้นเนี่ยนะมีถึงยี่สิบเอ็ดบุคคลเนี่ยพวกอนันตริยกรรมทั้งหลายโปติปทุสราชกุลอะไรทั้งหลายคนพิการต่างๆ เป็นพวกที่สัจจะชานบ้างโตโป็นยันชนกบ้างในทุนนี้อุโบสถพร้อมด้วยองค์สีนี้จึงควรจะกล่าวว่าปะตะกันลังได้ถ้าไม่พร้อมเป็นแต่สามหรือสองไม่ควรกล่าวถ้าผู้ตรวจนั้นอ่อนกว่าพิกสุสงอยู่ตักองค์หนึ่งก็ดีให้ว่าพันเตถ้าแก่กว่าหมดให้ว่าอาวุโสอันหนึ่งถ้าเป็นวันที่สิบห้าให้ว่าปันนารณรโส คงตามบาลีเด you know, <Yes. S 1> ิมถ well, the um. well ้าเป็นวันที่ให้ว่าจาุตัสโสกิังสะปุิจังปาริสุธงายสตโรเจาปาติโมังวดีติสามีตังสเสันตสาตุกุโนมะมนสกมะยาสตยาอปติโอวิกริยาสัตติยาอปติยาตุนีพาวิตบังตุนีพาเวนโคปนายะสเไสุทาติเวเดสมียะท้าโคปนาปเจกะปุารวิยากะระนองโหติ เอวามีวังเอวารูปายาปริส oh e ัยยวตติยังนุสาวิทังโหติยาวัตติยังนุสาวิยามเนสระมโนสัต์ทิอัติทินาวิกรยาสัพพชาณมุตตาวาราสาโหติสัพพชาณมุตตาวารโดโคปนาโยชนตัวอันตรายโกธรรมวุตโตภะคะวตา n ัศมสระมาีนาบิกุนาอภัตินาวุจธาเตเคนาสนติอติอวิกาตตาอวิกติตุโหติคำเหล่านี้ชื่อว่านิทานก็ตั้งติเสร็จแล้วก็บอกบรรณ า, าว่า จากตัวประกาศที่ใด้ยินสามครั้งนะเพราะฉะนั้นก็ให้บอกความบริสุทธิ์ของตอนเองเสียจะได้ไม่เป็นเครื่องกัน้นต่อมาผลนิพพานแล้วก็ไม่ต้องอบัติสมัมปชัญญูปสาวาททุกกฎ ด, ด้วยเป็นคําถามคําสอนผู้จะฟังปาทิโมก ค, ความว่าอะไรบุบกอนบุพกิจการจะต้องทําก่อนแห่งสงทําแล้วหรือคือว่ากวานโรงอุโบสถหนึ่งถ้าเป็นเวลากลางคืนกับตามประเทศหนึ่งปูอัจนะหนึ่ง ตั้งน้ำใช้น้ำฉันไว้หนึ่งสี่นี้ชื่อว่าบุปกรณ์เพราะจะต้องทําก่อนแต่ประชุมสง์น้ำฉันทะของทิสุผู้ควรฉันทะมาหนึ่งนัปริสุทธิแห่งผู้ควรปริสุทธิมาหนึ่งบอกระดูหนึ่งนับทิสุหนึ่งให้อว่าแก่นางทิสุนี้หนึ่งห้านี้ชื่อว่าบุปกิกตเพราะจะต้องทําก่อนแต่ตรวจขึ้นซึ่งปาติโมกบุปกรณ์บุปภิกตเ้าเหล่านี้แห่งสง์ทําแล้วหรือ ตั้งแต่บาลีว่าปาริสุทธดทิ้งไปเป็นคําสอนความว่าดูก่อนท่านทั้งหลายภูมิอายุท่านทั้งหลายจงบอกความที่แห่งตนเป็นผู้บริสุทธิ์ไปเถิดข้าพเจ้าจะแสดงเคลื่อนซึ่งปาธิโมกเราทั้งหลายหมดด้วยกันจงฟังจงกระทําไว้ในใจให้ดีซึ่งปาธิโมกเถิดแต่นี้ไปอย่างไรจะเป็นอันบอกความที่แห่งตนเป็นผู้บริสุทธิ์จะประกาศอย่างนั้น ยาสานติยาอาปติโซอวิกริยาสันติยาอาปฏิญาตุนีพวิตบังเนี่ยนะจะตั้งถึงเวดิษ ส, สามิเมขุลนี้สวดเกินไปความว่าถ้าอาบัติแห่งภิกษุใดมีภิกษุนั้นพึงทําให้แจ้งเสียบอกเสียในท่ามกลางสงหรือแม้แก่ภิกษุองหนึ่งที่นั่งอยู่ใกล้ว่าข้าพเจ้าต้องอาบัตชื่อนั้นชื่อนั้นข้าพเจ้าลุกจากที่นี้แล้วจับทําคืนซึ่งอาบัตนั้นถ้าเคลือบแคลงอยู่ให้บอกดังนี้ว่า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 นี้เป็นคำบอกให้รู้จักอนุสาวนาและเขยแห่งอาบัติความว่าเหมือนอย่างพิษุองค์เดียวพิษุองค์หนึ่งถามเฉพาะตัวและกล่าวแก้ฉันใดคำอันเราให้ได้ยินอยู่เนือ ง, นงในพิษูบริจัทเช่นนี้จนถึงครั้งที่สามว่าตาติยมปีปุ ช, ชามีกากิธาบริสุทธานี้ทุกอุเทศไปฉันนั้นถ้าพิจุองใดเมื่อเราตวจให้ได้ยินอยู่จนถึงครั้งที่สามว่า ตติยามปีพุทธามีกกิทะปริสุถาดังนี้เธอระลึกได้อยู่ถ้าไม่กระทําให้แจ้งไม่บอกซึ่งอาบัตที่มีอยู่เสียสมประชานุมุสาวาาความกล่าวเทศแห่งผู้รู้ย่อมมีแก่ทิสุนั้นคือว่าทิสุนั้ น, น, นต้องอาบัตทุกกฏเพราะปิดอาบัตแห่งตนไว้ปรับเป็นมุสาวาตแต่ว่าเป็นอาบัตแค่ทุกกดูก่อนท่านภูมิอายุทั้งหลายก็แลสสมปรชานุมทสาวาทุกกฎนี้ พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้แล้วว่าเป็นธรรมซึ่งอันตรายแก่ชานและมรรคผลเพราะเหตุนั้นทิฏฐุระลึกได้อยู่อาบัตมีอยู่พึงกระทำให้แจ้งเสียด้วยว่ากระทำให้แจ้งจแล้วย่อมเป็นความผาสุกสํำราญแก่ทิกฐุนั้นก็คือไม่มีเครื่องกั้นมรรคนิพพานไมกัน้นสวรรค์ด้วยแต่ถ้าไม่ทําให้แจ้งนี่ก็กั้นสวรรค์กัน้นมรรคนิพพานนิทานุเทศจบเรื่องของ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 ความสำรวมมีสองอัฏก็คือสมาธานังเป็นสภาพที่รวบรวมไม่ให้กระจัดกระจายเกลื่อนกลทั้งวาจาแล้วก็อุปัฏธรรมังก็เป็นฐานรองรับคุณธรรมเบื้องสูงเพราะฉะนั้นในเมื่อมีทัฏฐามีสีแล้วนะก็จะรองรับคุณธรรมเบื้องสูงก็คือสมาธิปัญญามักผลวิภานก็คอยท่านได้มีฐานอันมั่นคงเพื่อปัจจัยแก่มัชผลผิภานในเบื้องปลายในวันนี้ด้วยเถินสาธุสาธุ สาธ